549ในคําว่าได้อาโลกสัญญานั้นสัญญาเป็นชไหนะความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้นี้เรียกว่าสัญญาสัญญานี้เป็นความสว่างเปิดเผยบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าได้อาโลกสัญญา550ในคําว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นสติญญเป็นชไหนะสติญญ ความตามระลึกเป็นต้นละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นชไหนปัญญากริยาที่รู้ชัดเป็นต้นละความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะภิจเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ด้วยประการชนี เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะ551คําคำว่าชําระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะอธิบายว่าถีนมิทธะนั้นแยกเป็นถีนะอย่างหนึ่งมิทธะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นถีนะเป็นไฉไความหดหู่เป็นต้นละภาวะที่ท้อถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะมิทธะเป็นไฉไความไม่สะดวกกาย เป็นต้นละภาวะที่อยากหลับนี้เรียกว่ามิทธะจิตเป็นไฉนจิตมโนมานั์มโนวิญญาณธาติเหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิสุชำระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากถีนมิทธะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชัมรจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะห้ารา คำว่าและอุทธจักกุกุจจะได้แล้วอธิบายว่าอุทธจักุกุจจะนั้นแยกเป็นอุทธจักอย่างหนึ่งกุกุจจะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นอุทธจักเป็นไนะความพุ่งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความซัดสายแห่งจิตภาวะที่พล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทธจักกุกุจจะเป็นไนะ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 ถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการชนนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละอุทจัจกุกุจจกได้แล้ว553คําว่าเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะสละคลายปล่อยวางละสลัดออก และสลัดออกซึ่งอุทธะกุกุจะนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านห้าร้ยห้าสิคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่5ห้าบหาคำว่าภายในตนอธิบายว่าเป็นภายในตนมีเฉพาะตนในคำว่ามีจิตสงบนั้นจิตเป็นไฉไหน จิตมโนมานัตเป็นต้นละมะโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสงบประงับสงบเงียบภายในตนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตสงบภายในตน556คําคำว่าชํมราจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจัจกุกกุจจะอธิบายว่าอุทจักกุกกุจจะนั้นแยกเป็นอุทจัอย่างหนึ่งกุกกุจจะอย่างหนึ่ง ในสองอย่างนั้นอุทธจจะเป็นไนความพุ่งสร้างแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความทัดสายแห่งจิตภาวะที่พลาดไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทธจจะ ก, กุกุจจะเป็นไนความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรเป็นต้นละความยุ่งใจนี้เรียกว่ากุกุจจะจิตเป็นไนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่าจิตภิกษุชัมระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากอุทธะและกุกุจะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชัมระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธะกุกุจะห้าจ็ดในคําว่าละวิจิกิจฉาได้แล้วนั้นวิจิกิจฉาเป็นไน ความเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไปความไม่สามารถยังลงถือเอาโดยเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจ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 ข้ามขึ้นข้ามออกถึงฝั่งถึงความสำเร็จตามลำดับเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ข้ามวิจิกิจชาได้แล้ว5้าร้ห้าสิาคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คำว่าไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอธิบายว่าไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยไม่มีความสงสัย หมดความสงสัยปราศจากความสงสัยในกุศลธรรมด้วยวิจิกิจฉานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่มีความสงสัยในกุศลธรรม560สในคาว่าชาระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉานั้นวิจิกิจฉาเป็นไ น, นความเคลือบแคลงกริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงเป็นต้นละความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจนี้เรียกว่าวิจิกิจฉา เป็นไฉนจิตมนโนมานั์มนโนวิญญาณธาต่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุชัมบรจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากวิจิกิจฉานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชัมบรจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา561คําว่าละนิวรห้านเหล่านี้อธิบายว่านิวรหานี้ เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทาให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละนิวรห้าเหล่านี้ 562. คําว่าที่เป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองอธิบายว่านิวรห้าเหล่านี้เป็นเครื่องทให้จิตเศร้าหมอง ห้าราคำว่าทอนกาลังปัญญาอธิบายว่าปัญญาที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดและปัญญาที่เกิดแล้วก็จะดับไปเพราะนิวรณ์5เหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทอนกาลังปัญญา564ในคําว่าสงัดจากกามและอกุโสลธรรมทั้งหลายนั้นกามเป็นชไหนฉันทะชื่อวกามปราคาชอวกาม ฉันทราคะชื่อวกามสังกัปปะชื่อวกามปรคาคะชื่อวกามสังกัปป ร, ราคะชื่อวกามเหล่านี้เรียกว่ากามอากุศุรธรรมเป็นฉไนกรมะฉันทะพยาบาททิ่นมิตะอุทจักขุกุจจะและวิจิกิจฉาเหล่านี้เรียกว่าอากุศุรธรรมพิกทุเป็นผู้สงัดแล้วจากกรรม และอกุสละธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสงัดจากกรมและอกุสละธรรมทั้งหลาย565ร้ยสาว่ามีวิตกวิจารอธิบายว่าวิตกวิจาร์นั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นวิตกเป็นฉไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์เป็นฉไฉไรความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตตื้ต่ออารมณ์ความที่จิ ต, ต, ต, ออจตเพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารณ์ภิกจุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เป็นต้นละประกอบแล้วด้วยวิตกวิจารนี้ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีวิตกวิจารณ้า6้อยหว่าเกิดจากวิเวกอธิบายว่าวิตกวิจารณ์ปีติสุขและเอกขตาธรรมเหล่านั้นเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วในวิเวกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเกิดจากวิเวก ห้าร้คำว่าปีติและสุขอธิบายว่าปีติและสุขนั้นแยกเป็นปีติอย่างหนึ่งสุขอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นปีติเป็นฉไหนะความอิ่มเอิบความปราโมดความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปีติสุขเป็นฉไหนะ ความสําราญทางใจความสุขทางใจความเสวย อ, อารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขสุขนี้สหะรคตเกิดพร้อมระคนและประกอบด้วยปีตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปีติและสุข568คําว่าปัถมอธิบายว่า ชื่อปฐมโดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าปฐมเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่หนึ่งหาาคำว่าฌานอธิบายว่าวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตา570คําคำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึง การบรรลุถึงความถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุปัธรมชาติห้าร้คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่572คําว่าพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วอธิบายว่าวิตกวิจารณนั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นวิตกเป็นฉไน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 ศรัทธากริยาที่เชื่อความปักใจเชื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่ง575ร้าคำว่ามีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นอธิบายว่าความตั้งอยู่แห่งจิตเป็นต้นละสัมมาสมาธิ576ร้อคำว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อธิบายว่าวิตกวิจารณ์นั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารณ์อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นวิตกเป็นฉไน ความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆเป็นต้นละสำมาสังคปะนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์เป็นฉไฉไรความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตตืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารณ์วิตกวิจารณ์ดังที่กล่าวมานี้เป็นอันสงบประงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไป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 ในสมาธินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเกิดจากสมาธิ578คําคำว่ามีปีติและสุขอธิบายว่าปีติและสุขนั้นแยกเป็นปีติอย่างหนึ่งสุขอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นปีติเป็นไนความอิ่มเอิบความปราโมทละความที่จิตชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปีติสุข เป็นไนความสำราญทางใจเป็นต้นละกิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขสุขนี้สหรคตเกิดพร้อมระคนประกอบด้วยปีตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปีติและสุข 57.9 คําคำว่าทุติยะอธิบายว่าชื่อว่าทุติยะโดยลำดับแห่งการนับ ชื่อว่ตทุติยะพระโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่สอง5 8าคำว่าฌานอธิบายว่าความผ่องใสปีติสุขและเอกักขตา581ร้58 1, คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงความถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุตุติยฌาน ห้าร้คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ห้าในคําว่าเพราะปีติจางคลายไปนั้นปีติเป็นฉนยัยความอิ่มเอิบความปราโมทความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีนี้ เรียกว่าปีติปีตินี้เป็นอันสงบประงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปได้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะปีติจางคลายไปห้าในคำว่ามีอุเบกขานั้นอุเบกขาเป็นไนะ อุเบกขาภาวะที่วางเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความวางตนเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาภิกตุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเป็นต้นละประกอบแล้วด้วยอุเบกขานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีอุเบกขา585ร้าคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ 586ในคำว่ามีสติสัมปชัญญะนั้นสติเป็นไนสติความตามระลึกและสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นไนปัญญากริยาที่รู้ชัดเป็นต้นและความไม่หลงงมงมไงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะพิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัชญะนี้ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติสัมปชัชชะห้าร้ในคําว่าเสวยสุขด้วยนามากายนั้นสุขเป็นไนความสําราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกริยาเสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุข กายเป็นฉไนสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่ากายพิกสุเสวยสุขนี้ด้วยกายนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเสวยสุด้วยนามากายาย588ในคาว่าที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนั้นพระอริยทั้งหลายเป็นฉไนพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยะทั้งหลาย พระอริยะเหล่านั้นกล่าวสันเสริญแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ชัดเจนประกาศบุคคลผู้ได้บรรลุนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสันเสริญ589ในคำว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนั้นอุเบกขาเป็นไฉน อุเบกขาความว่างเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาสติเป็นไฉนสติความตามระลึกเป็นต้นละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสุขเป็นไฉนความสำราญทางใจความสุขทางใจความสเสอร์อารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขพิกษุประกอบด้วยอุเบกขาสติและสุขนี้สืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 590. าคำว่าตาติยะอธิบายว่าชื่อว่าตาติยะโดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าตาติยะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงชานี้เป็นที่สามหาคำว่าชานอธิบายว่าอุเบกขาสติสัมปชัญญะสุขและเอกขตาห้า คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุตติยชาน593ราคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่594 คำว่าเพราะละสุขและทุกขได้อธิบายว่าสุขและทุกขนั้นแยกเป็นสุขอย่างหนึ่งทุกอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นสุขเป็นไนะความสํำราญทางกายความสุขทางกายความเสเวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขทุกเป็นไนะ ความไม่สําราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่สํำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์สุขและทุกข์นี้เป็นอันสงบประงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทําให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้595ราคำว่าเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วอธิบายว่าโสมนัสและโทมนัสนั้นแยกเป็นโสมนัสอย่างหนึ่งโทมนัสอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นโสมนัสเป็นชไหน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 เจโตสัมผัสเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุข5 9าร้อยก้าสิบเจ็ในคาว่ามีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั้นอุเบกขาเป็นไนอุเบกขาภาวะที่วางเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความวางตนเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาสติเป็นไน สติความตามระลึกเป็นต้นละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นอันเปิดเผยบริสุทธิ์ผุดพองพระอุเบกขานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขา598รําว่าจตุตถะอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นที่สี่โดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าจตุตถะ ร้อยโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่ 4. 599าคำว่าฌานอธิบายว่าอุเบกขาสติและเอกกขคตา600คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุจะตุทถฌาน601เอด คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่หรอยสองในคำว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงนั้นรูปสัญญาเป็นไฉไรความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ของโยคาวจรบุคคลผู้เข้ารูปาวัจระสมาบติ ผู้อุบัติในรูปประภูมิหรือของพระอาหารหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเหล่านี้เรียกว่ารูปประสัญญาพิกจุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งรูปประสัญญาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงรูปประสัญญาได้โดยประการทั้งปวงหกรในคําว่าเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญานั้น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 ให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา604ในคำว่าเพราะไม่มนสิกานานัตตสัญญานั้นนานัตตสัญญาเป็นฉไฉไรความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนทาต หรือผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุตึงไม่ได้เข้าสมาบัติเหล่านี้เรียกว่า น, นานัตตสัญญาภิกษุไม่มนานสิกานานัตตะสัญญาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะไม่มนานสิกานานัตตสัญญา6กรในคําว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้นอากาศเป็นฉไน อากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูต ร, รูปสี่ถูกต้องไม่ได้นี้เรียกว่าอากาศภิกษุ ต, ตั้งจิตไว้ตั้งจิตไว้ได้ดีแพรไปไม่มีที่สุดในอากาศนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอากาศที่ไม่มีที่สุด6กร คำว่าอากาสานัญจายตนะอธิบายว่ารรมคือจิตและเจตสิก ข, ของบุคคลผู้เข้าอากาสาัญจายตนะผู้อุบัติในอากาสานัญจายตนะภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันหกร้อยเจคำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึง การถูกต้องการทำให้แจงการบรรลุอากาาสานจายตนะ 608. คําคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ 609. คําคำว่าเพราะก้าล่วงอากาสา น, นจายตนะได้โดยประการทั้งปวงอธิบายว่า ภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งอากาสานัญจาตนะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง610วิญญาณไม่มีที่สุดอธิบายว่าภิกษุมณสิการอากาศนั้นนั่นแหละที่วิญญาณถูกต้องแล้ว แผ่ไปไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณไม่มีที่สุด611คําว่าวิญญาณนัญจายตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิก ข, ของบุคคลผู้เข้าวิญญาณนัญจายตนะผู้อุบัติในวิญญาณนัญจายตนะภูมิหรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันห 1 1 2คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจง้งการบรรลุวิญญาณัญจายตนะ613คําคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่614 คำว่าเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งวิญญาณัญจายตนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงหกร้สิบหาคำว่าอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งก็ไม่มีอธิบายว่า พิกษุธรรมวิญญาณนั้นนั่นแหละไม่ให้มีให้เสื่อมไปให้อันตรธานไปพิจารณาเห็นว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งก็ไม่มี616คําว่าอากินจั ญ, ญญายตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิก ข, ของบุคคลผู้เข้าอากินจัญญายตนะ ผู้อุบัติในอากินจัญญายตนะภูมิหรือของพระอรหันผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน617้ําว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุอากินจัญญายตนะ1 8 คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คำว่าเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งอากินจัญญายตนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงคำว่าผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อธิบายว่าภิกษุมณสิกาอากินจัญญายตนะนั้นนั่นแหละโดยความเป็นฌานที่สงบเจริญสมาบัติที่มีสังขารเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 6กร้คำว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือผู้อุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิหรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน6กรยยี่สิคำว่าบรรลุ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 สุตันตภาชนีจบ